แนะนำบทอัลอินซาลบทอัลอินซาลหรือบทอัดารีเป็นบทมาดานิยามี31องค์การที่กล่าวถึงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับโลกอาคิระโดยเฉพาะความสุขสาราญของบรรดาผู้ยงเกรงมีธรรมะซึ่งพำนักอยู่ยานทาวอร์ในสวนสวนรรค์อันบรมสุขบทนี้ได้เริ่มชี้แจงถึงเดชารุภาพของอัลลอ์ในการสร้างมนุษย์ไว้หลายขั้นตอน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 จะประทานให้แก่พวกเขาเช่นเมตตากรุณาและความโปร่ปรานในวันแห่งการตอบแทนวันนี้ได้กล่าวต่อไปถึงความสุขสํำราญของชาวสวรรค์ในเรื่องของการกินการดื่มเครื่องแต่งกายและคนรับใช้ที่วนเวียนรับใช้พวกเขาในยามเช้าและยามเย็นวันนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงว่าอัรุณราตนี้เป็นข้อเตือนสติแก่ผู้ที่ไข้ควรหรือผู้ที่มีความคิดเห็นที่ฉลาดสุ ข, ขุม ซึ่งต้องการแสงสว่างจากอัลกุรอ ห, ห์โดยพระนามของ a l ลอ h ผู้ทรงกรุนาผู้ทรงเมตตาเสมอแน่นอนการเวลาที่ยาวนานไม่เกิดขึ้นแก่มนุษย์ เมื่อเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงเลยอท้จริงเราได้สร้างมนุษย์มาจากน้ำเชื้อผสมหยดหนึ่งเพื่อเราจะได้ทดสอบเขาดังนั้นเราจึงทำให้เขาเป็นผู้ได้ยินเป็นผู้ได้เห็นแท้จริงเราได้สร้างมนุษย์มาจากน้เชื้อผสมหยดหนึ่งเพื่อเราจะได้ทดสอบเขาดังนั้นเราจึงทให้เขาเป็นผู้ได้ยินเป็นผู้ได้เห็น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 และไฟที่ลกโชดช่วงสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วลแท้ จ, าาจริงบรรดาคนดีนั้นจะได้ดื่มจากแก้วน้ำซึ่งผสมด้วยการบูนหอมหเป็นอาณาจักรน้ำู้ที่ปวงเบาของอัลลอฮ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 แต่คนยากจนเด็กกำพร้าและเฉลยศึกพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราให้อาหารแก่พวกเจ้าโดยหวังความโปรดปรานของอัลละ์เราไม่ได้หวังการตอบแทนและการขอบคุณจากพวกเจ้าแต่ประการใดอินน้าอบุรร แท้จริงเรากลัวต่อพระผู้พิบาลของเราซึ่งเป็นวันแห่งหน้านิ้วคิ้วขมวดและแสนสาหัสุรรดังนั้น Allah จะทรงปกป้องพวกเขาให้พ้นจากความชั่วร้ายของวันนั้นและจะทรงให้พวกเขาพบกับความสดชื่นและความสิติอัลลอะทรงบ่มารซาบรุ่งนรกและฮะรีรา่า และพระองค์จะทรงตอบแทนแก่พวกเขาด้วยสวนสวรรค์และไม้แพรเนื่องจากพวกเขาอดทนรพวกเขาจะนอนเอกเหน็ดอยู่บนเก้าอี้นวมยาวในสวนสวรรค์พวกเขาจะไม่พบเห็นแสงอาทิตย์และความหนาวเหน็บิ และร่มเงาของสวนสวรรค์จะปกคลุมพวกเขาอย่างใกล้ชิดและผละไม้ในสวนสวรรค์จะถูกโน้มก่ำลงมาใกล้พวกเขาและมีภาชนะที่ทําด้วยเงินและแก้วน้ําที่ทําด้วยแก้วใส ถแ ก, ก, ก้ดดวกที่ทำด้วยเงินโดยพวกเขาจะเติมมันตามสัดส่วนที่พวกเขาต้องการ ك ك าลาและในสวนสวรรค์ น, นั้นพวกเขาจะรับเครื่องดื่มจากแก้วที่ผสมด้วยขิ ม, ม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 หรือเมื่อเจ้ามองไปยังที่นั่นเจ้าจะพบแต่ความสุขและอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาลบนพวกเขามีผ้าสีเขียวทำด้วยไหมละเอียดและผ้าไหมอ ย, ยางและถูกประดับด้วยกำไรเงิน และพระพู้อภิบาลของพวกเขาจะทรงให้พวกเขาได้ดื่มเครื่องดื่มอันบริสุทธิ์ยิ่งอินน่าดานคารุลเจซ่าอ้วกานะสัยุคุมมิชฟุรอนแท้จริงนี่คือการตอบแทนแก่พวกเจ้าและการบากบั่นของพวกเจ้านั้นเป็นที่ยอมรับด้วยความยินดีอินน่าเราหนุนละซ์ลนะอัลกุบะอานะเตนซีลา จิเราได้ประทานอัลกุรอานให้แก่เจ้าเป็นขั้นตอนดังนั้นเจ้าจงอดทนต่อการตัดสินของพระเจ้าของเจ้าและอย่าเชื่อฟังผู้ประพฤติชั่วและผู้ปฏิเสธสภาคนใดในหมู่พวกเขา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 และหากเราประสงค์เราจะเปลี่ยนแปลงเอาพวกอื่นเยี่ยงพวกเขามาแทนแท้จริงนี่คือข้อเตือนสติแต่ัน้องการขดแนวาระผิแท้จริงนี่คือข้อเตือนสติแตนั้นผู้ใดต้องการให้เขายึดแนวทางสู่พระผู้วิบาลของเขา แต่พวกเจ้าจะไม่สมปรารถนาเว้นแต่ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ถ้าจริงอัลลอเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญโปรงสงให้ผู้ที่พรงค์ทรงประสงค์เข้าสู่ความเมตตาของพรง แต่บรรดาผู้อานั้นโรงทรงเตรียมการลงโทษอันเจ็บปวดไว้สำหรับพวกเขา